วันนี้เราจะสนทนาจะพูดในเรื่องของสภารสะวะสังวรสูตรในสภาสะวะสังวรสูตรเนี่ยเขาแปลว่าว่าด้วยอุบายกำจัดอาสะวะทั้งปวงในพระสูตรนี้น่าจะพูดวันเดียวไม่จบเพราะว่าเป็นพระสูตรที่ค่อนข้างที่จะ มีเนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเรื่องของว่าดูอุบายการกำจัดอาสวะในเรื่องนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันอารามของท่านานาถาพินิกาเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีณที่นั้นก็พระองค์ก็รับสั่งเรียกภิกษุว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อพิกษุเรานั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วก็จึงตรัสว่าเราจะแสดงเหตุของการปิดกั้นอาสวะทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนั้นคําว่าสัพพะนี่ก็แปลว่าทั้งปวงมาจากการสัพพะแล้วก็บวกอาสวะอาสวะนะี่เป็นชื่อของกิเลส <c oughs> ก็คือจกแสดงเหตุของการปิดกั้นอาสวะทั้งหมดมีทั้งปวงเหล่านี้ แกเธอเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจดงนี้นะพระเจ้าแสดงพระสูตรนี้ที่สาวัถออีสาวสถีเนี่ยพระนคร น, นี้เป็นสถานที่อยู่ของฤาษีนะชื่อว่าสวัสถักสวสถชื่อของฤาษีเนี่ยเหตุที่ชื่อว่าสาวสถีเนี่ยเพราะว่า มีวัตถุเครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษย์ทุกอย่างที่มีอยู่ในเมืองนี้ครบทุกอย่างดังนั้นจึงเรียกว่าสาวัตถีงั้นคำว่าสาวัตถีอาศาัยเหตุที่ว่าเมื่อถูกเขาถามว่ามีของอะไรอยู่บ้างก็จะตอบว่ามีครบทุกอย่างบอกมีครบทุกอย่างก็เลยคําว่าสาวัตถีสาวัตถีเนี่ยมีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างมารวมกันอยู่ในเมืองสาวัตถีตลอดเวลาฉะนั้น อาตากถาท่านก็เลยมุ่งเอาความสมบูรณ์แห่งเครื่องอุปโภคบริโภคนั่นแหละจึงเรียกเมืองนี้ว่าสาวัตถีเมืองสาวัตถีเนี่ยเป็นอยู่ในแฟนโกศลหน้ารื่นลมหน้าชื่นใจหน้าเจริญใจอึกระทึกไปด้วยเสียงสิบประการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำด้วยเป็น เมืองถึงความเจริญภัยบูร์มั่งคั่งแล้วก็กว้างขวางน่าเจริญใจอุดมสมบูรณ์เหมือนเทพบุรีชื่อว่าอารอาระกรมันดานั้นเชตาวันเนี่ยพอมาสาวถีพอตรงนี้ก็จะพูดเรื่องคําว่าเชตา ว, วันเชตวเนีเวลาเจอในพระสูตรก็จะมีคําว่าอนาถปินฑิกาสะอารามีเชตวนเนียอนาถาปิณฑิกาสะอารามี จะมีคาว่าเชตวเนเนี่ยบ่งบอกถึงพระราชกุมารที่มีพระนามว่าเชตาก็คือทรงรบชนะข่าศึกของพระ อ, องค์หรือเพราะประสูตรในเวลาที่พระชนกทรงมีชัยต่อข่าศึกจึงได้นามว่าเชตพระนามนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระ อ, องค์ฉะนั้นอุทยานตรงนี้ที่เป็นวัดเชตวันเนี่ย วันเป็นป่าของเจ้าเชตพระราชกุมารมีนามนว่าเชตะปลูกสร้างธนุบารุงให้เจริญงอกงามพระองค์ก็เป็นเจ้าของพระอุทยานนั้นด้วยฉะนั้นจึงเรียกว่าเชตะวันฉะนั้นพระวิหารเชตะวันเนี่ยจึงเป็นอุทยานของเจ้าเชตใช่ไหมส่วนคําว่าอารามของท่านอนาถาปินิกะมาจากคําว่าอนานีอนาทีอนาถาปินที่กัสสะอารามเเม่เนี่ย คณะบดีนี้จริงๆแล้วท่านชื่อว่าสุทัศตัตเป็นชื่อที่บิดาตั้งให้แต่ต่อมาไม่ได้ชื่อมาเปลี่ยนมาเป็นอนาถาปินทิการด้วยเหตุที่ได้ให้อาหารแก่คนอนาถาทั้งหลายเป็นประจําโดยการที่ให้อาหารแก่คนยากไร้เป็นประจำเนี่ยก็เลยชื่อว่าอนาถาปินทิกาเพราะเป็นผู้ ด้วยเหตุที่ให้อาหารและเป็นผู้ที่มั่งคั่งด้วยสมบัติทุกอย่างและพาอปราศจากความตนีและก็พาอเรียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมมีเมตตากรุณาเป็นต้นสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะบรรพชิตก็ยินดีในสถานที่นี้จึงได้ชื่อว่าอารามอารามณะเนี่ยเป็นแป ล, แปลว่าเป็นที่เป็นที่ยินดีเป็นที่รื่นลบอารามณะก็เลยว่าได้ลักษณะว่าเชตวันก็มี1มีป่าใช่ไหมสมีน้า 3 ม, มีอะไรกัน3 ม, มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสี่ก็มีความสะอาดร่มเรือนถ้าใครจัดในลักษณะอย่างนี้ได้ที่ตรงนั้นก็เป็นรมณียสถานเป็นที่น่ารื่นรมก็คือเป็นที่เป็นเสนาสนะ <c oughs> สัตว์ทั้งหลายที่พากันมายินดีมาเพลิดเพลินมาอยู่อย่างสบายเพราะสวนนั้นงามไปด้วยไม้ดอกไม้ผลเป็นต้นสมบูรณ์ไว้ด้วยองค์ประกอบเนะย ด้วยเสยนาสนะก็คือไม่ไกลนักไม่ใกลนักและอารามแหล่งนี้เป็นที่ดึงดูดสัตว์ผู้ไปถึงสถานที่นั้นไว้ภายในบริเวณของตนนั่นเองเวลาเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดความเพลิดเพลินด้วยสมบัติมีประการละต่างๆก็คือความงดงามนี่แหละแสดงให้เห็นชัดว่าวัดเนี่ยเวลาเขาสร้างวัดเนี่ยนะสร้างอารามเนี่ยต้องงดงามมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับเต็ไมไปหมดเลย คนที่ทำนั้นก็คือมีคนงานดูแลการลงทอันนี้ถ้าสร้างอย่างนี้ได้เนี่ยก็เป็นอารามนิยสถานใครก็อยากจะไปนะไปดูแล้วก็ไม่อยากกลับสึ้หน้าชื่นเพลิดเพลินน่ยให้ความเพลิดเพลินให้ความชื่นใจแต่ทุกวันเนี้วัดขาดคําว่าอารามนิยะไปหมดแล้วหนึ่งป่าไม่มีสองน้ําไม่มีสามไม่มีความสะอาดสี่ไม่มีความเป็นระเบียบรเรียบรบยบ้อยจบเลยนะ แล้วก็เขาบอกว่าไม่ไกลจากหมู่บ้านเกินไปไม่ใกล้เกินไปเป็นต้นหรอเนี่มีองค์ประกอบต่างๆเหรอเนี้เป็นต้นอนณาถาพิทิกษ์เศรษฐีเนี่ยได้มอบถวายดได้2มีพระเจ้าเป็นประมุขบริจาคทรัพย์ทั้งหมด54โกดคือบริจาคซื้อที่ดินจากพระหัตถ์ของราชกุมารเชตเตอเนี่ยสิโกดใช้ทรัพย์เนี่ยปูเต็มบริเวณพื้นที่นั้นใช่ไหมตรงนี้เราเคยได้ยินกันมาแล้วใช่ไหมใช้ทรัพย์สิโกดเนี่ยปูลเลยที่แรกจริงๆอ่ะ พระเจ้าเชษนะหลุดปากพอไปขอซื้อที่ตรงเนี้ยหลุดปากว่าจะขายให้ต้องเอาทรัพย์มาปูให้เต็มพื้นที่เนะ้ท่านก็เลยไปเอาเกวียนบรรทุกก็หาปนักมาเป็น 100, ร้อยห้าร้อเล่มเกวียนรเงี้ยเนื้อนะมาวิเศจก็ให้คนงานปูปุ๊บปุ๊ป๊ปปปปปเลยแกท่านเจ้าเชษฐก็สั่งห้ามเพราะจริงๆไม่ได้อยากขายก็เลยมีการร้องเรียนกันให้ให้ให้ศาลตัดสินศาลก็บอกว่าเป็นของอนาถปิณิกาเจ้าเชตก็เลยจําใจ เวลาขายเนี่ยเจ้าเชตก็เลยมีข้อแม้ว่าที่ซุ้มประตูไม่ให้ปลูกนะฮะบณะและที่ต้นไม้ทั้งหมดไม่ได้ถวายเพราะตนเองต้องการจะถวายซุ้มประตูด้วยแล้วก็ต้นไม้ทั้งหมดด้วยเงินที่ได้18โกดก็มาสร้างอารามในนั้นด้วยนี่เป็นต้นวัดนี้ก็เลยเป็นวัดที่มีสองเจ้าของใช่ไหมเชตาวณีอนาถ พ, พินิกัสอารามีก็แปลว่าวัดอของเจ้าเชษนะก็หมายความว่ า, วาอุทยานของเจ้าเชต อนณาถาปิณิกะเป็นผู้ถวา ย, ยานี้เป็นต้น <c oughs> ก็เป็นสองเจ้าของนะนะมีเจ้าของมีประโยชน์คือทำให้เป็นเยี่ยงอย่างของผู้ต้องการบุญฉะนั้นถ้าใครต้องการบุญทั้งหลายเราเนี้ยก็ให้ทำเหมือนเจ้าเชิดเนี่ยกับอาาถาปิณิกะ <c oughs> สรุปก็คือว่าปูรัรพย์ลงไป18โกดเต็มพื้นที่บริจาคเป็นค่าก่อสร้างเสนาสนะอีก18โกดบริจาคเป็นค่าฉลองอีก18โกดฉะนั้นจึง รวมใช้ซั์ทั้งหมดก็คือห้าสิบสี่โกดนะโกดละสิบล้านห้าสิบสี่โกดนี่เป็นเงินเท่าไหร่นับไม่ได้เลย น, ะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าห้าสิบสี่โกดนี่แหละชักชวนผู้ต้องการบุญเหล่านั้นให้ถือชนเหล่านี้เป็นแบบอย่างพ่านนต้องการให้ถือชนทั้งสองนี้เป็นแบบอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เราพอเป็นว่าอนณาถาพิณิกาเศรษฐีเป็นเศถียรพวก ให้ก้อนข้าวแก่คนไร้ที่พึ่งให้ก้อนข้าวแก่คนไร้ที่พึ่งก็เลยเรียกว่าอนาถาพินทิกะชื่อเดิมของท่านก็คือสุทัตตะ น, น, นสุทัตตะเป็นชาวสาวัตถีโดยกำเนิดและเกี่ยวข้องกับการเป็นญาติของเศรษฐีแห่งเมืองกรุงราชคืดด้วยการเมื่อท่านได้สดับว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ า, าและฟังธรรม โดยย่อๆเลยอยู่ต่อมาท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนีก็เกิดศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยก็เลยสร้างอารามแก่สงฆ์ที่มีพุทธถวายแต่สงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุกโดยซื้อที่สร้างวัดจากเจ้าเชษดังที่ได้กล่าวเลยเป็นเชื้อพระวงศ์ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของไทยของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเจ้าเชษเนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็สร้างวัดชื่อว่าเชยตวันทีนี้ในพระสูตรเนี่ย หลังจากที่พระเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละเราจาะแสดงเหตุการปิดกั้นอาสวะทั้งกลุ่มปวงก็คือว่าอาสวะนี่เป็นบาปอกโซลธรรมที่มันไหลอยู่ในกระแสใจของสัตว์ทั้งหลายพระเจ้ากระเทอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นกระทูลรับสอนองพระดำรัสแล้วจึงตรัสว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะของผู้รู้เห็นไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของผู้ไม่รู้เห็น นั้นคนที่ไม่รู้คนที่ไม่เห็นเนี่ยนะคนที่ไม่รู้ไม่สามารถที่จะละอาสวะได้คนที่ไม่ได้เห็นด้วยปัญญาก็ไม่สามารถที่จะไปละอาสวะมีกาม า, า, าสาวะทิฏฐาสวะพาวาสาวะอวิชชาสาวะเป็นต้นได้ฉะนั้นคนที่จะสามารถละอาสวะกิเลสละกิเลสได้ต้องเรากล่าวความสิ้นไปของอาสวะของภิกษุผู้รู้เห็นเนี่ ของบุคคลที่รู้ที่รู้เห็นไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของผู้ไม่รู้เห็นแล้วก็บอกเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้เห็นอะไรก็คือคือรู้เห็นโยนิโสมนสิกาและอาโยนิโสมนสิการประเด็นก็คือเมื่อภิกษุใส่ใจโดยไม่แยกคายใส่ใจผิดทางผิดวิธีผิดอุบายใส่ใจไม่เป็นคิดไม่เป็นปุ๊บการ ม, มาสะวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ภวะสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นทิฏฐาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอวิชชาสวะความมืดบอดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้ น, มมออ ท, นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าภิกษุใส่ใจโดยโนยนิโสมนสมิการก็เรียกใส่ใจถูกทางถูกวิธีถูกอุบายใส่ใจอย่างถูกต้องนะใส่ใจเพื่อเป็นปัจจัยเกิดปัญญาปุ๊บอาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นกามาสวะภวาสวะทิฐาสวะอวิชชาสวะคือความมืดบอด กรารมาสวะก็คืออาสวะคือกามความติดใจไปกระสันในกามอยู่ไหมภวาสวะอาสวะคือการหมักดองการการไหลไหลไปในในพบในกามมพบรู ป, ปรพบอรูปพบทิศฐานสวะอาสวะที่มันไหลไปในทิศฐิคือความเห็นผิดนะส่วนอวิชชาสวะอาสวะคือการไหลไปเป็นเครื่องหมักดองหมักกระแสะจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้หลงอยู่ในความหลงความโง่เนี่ยเป็นต้นนะงั้นอาสวะที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้น และอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคําว่าโยนิสโสมณัสิการก็คือการใส่ใจโดยแยบคายก็หมายถึงการเจริญสติเป็นต้นเหล่านี้นะไอตัวเนี้ยตัวโยนิสโสมณัสสิการเนี้ยเรื่องนี้เรื่องยาวเราพูดถึงโยนิสโสความเป็นผู้ฉลาดคิดเนี่ยคิดถูกทางคิดคิดถูกวิธีคิดคิดถูกอุบายเนี่ยอย่างเช่นเป็นอุปายามนัสิการเนี่ยการคิดเข้ามา ใส่ใจเข้าหาสภาวะลักษณะและสามั ญ, ญลักษณะนี่นเะวลาใส่ใจปุ๊บให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็ไปรู้สภาวะลักษณะเช่นไปรู้ลักษณะของลักษณะของโทสะเป็นอย่างไรโทรสะเกิดขึ้นมาแล้วเขาทากิจการงานอย่างไรผลปรากฏเมื่อโทสะเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจยอย่างไรอะไรเป็นเหตุใกล้ของโทสะเข้าไปรู้เจาะสภาวะลักษณะนี่ หรือวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะตัวของโทสะบ้างโลภะบ้างโมหะบ้างเวทเล่า น, นี้หรือไปรู้ลักษณะสภาะเฉพาะตัวของสภาวธรรมที่เป็นรูปและเป็นนามหรือรูปนามขันห้าหรือกระแสชีวิตนี่การไปเจาะรู้สภาวะลักษณะเฉพาะตัวของกระแสชีวิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างน่ยตามความเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยไออะไรเป็นปัจจัยก็ไอตัวโยนิโสมนสิกานี่แหละเป็นปัจจัยทําให้สามารถคิดเข้าหาคิดเข้าไปถึง ตัวสภาวะลักษณะเป็นต้นได้และไม่ใช่แค่นั้นตัวโยนิโสมนัสการยังสามารถเข้าไปเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนหรือเป็นตัวคิดเห็นให้เข้าเจาะเข้าไปถึงสามัญลักษณะด้วยคือลักษณะของความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็มีการแตกดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตรอดเวลาลักษณะของความเป็นทุกข์คือคือสภาวะที่บีบคั้นเบียดเบีย น, บ, ยนบีบคั้นขัดแยง้งอยู่ตรอดเวลาในตัวมันเองนี่ แล้วก็ลักษณะความเป็นอนัตตาว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่มีตัวแก่นตัวแกนที่แท้จริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นไปตามเหตุเป็นปัจจัยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือตัวโยนิโสมนสิการนี่แหละสามารถที่จะเป็นสามารถทําให้การคิดอย่างลองเห็นไตรลักษ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเป็นต้นได้นี่คือโยนิโสถ้วน อโยนิโสมนัสการนี่ตรงกันข้ามเลยการใส่ใจโดยไม่แยบคายการคิดแบบไม่ถูกทางไม่ถูกวิธีไม่ถูกอุบายเป็นต้นก็หมายถึงการเข้าใจนะไปคิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปใส่ใจในสิ่งที่มันเป็นทุกว่าเป็นสุขไปใส่ใจในสิ่งที่ไม่งามว่างามไปใส่ใจที่ไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนว่าเป็นอัตตาตัวตนนี้เป็นต้นในการคิดที่มันผิดทางใส่ใจผิด คิดผิดเนี่ยมานสิกานผิดบาปอกศุศลและธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นใช่ไหมที่เกิดขึ้นแล้วก็โอ้โหเจริญภัยบุญเลยเช่นว่าไปใส่ใจในสิ่งที่ไม่งามว่างามเนี่ยาราคะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญเลยไปใส่ใจในสิ่งที่ไม่ตรงตามความเป็นจริ ง, ไ, งไปใส่ใจผิดเนี่ย ไปมองแง่ร้ายในสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายมู โ, โหหน่าเกลียดหน้า ก, กลัวก็เป็นปัจจัยไปใ น, นปัจจัยเกิดโทสะก็อยู่อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่คืออโยนิโสอันนั้นก็ไม่ไม่ขยายอะไรเยอะแต่ให้เข้าใจว่าอโยนิโสมนัสิกานและอโยนิโสมนัสิการนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเรากล่าวความสิ้นไปของอาสวะผู้รู้เห็นไม่ได้กล่าวความสิ้นไปของอาสวะผู้ไม่รู้เห็น ถ้าคนไม่รู้จักโยนิโสมณสิการและอโยนิโสมณสิการเนี่ยจะไม่สามารถจะละอาสวะได้เพราะอาสวะจะเกิดได้ด้วยอโยนิโสมณสิการคือความไม่ฉลาดคิดคิดไม่ถูกทางไม่ถูกวิธีและอาสวะจะถูกละได้ด้วยการมีโยนิโสมณสิกามณัิการคือการคิดถูกทางถูกวิธีและถูกอุบายก็จะเป็นปัจจัยให้บาปหลักศรธรรมมีอาสวะเป็นต้นน่ะหมดไปทีนี้คําว่าอาสวะเนี่ย ปแปลว่าอะไรปแปลว่ากิเลส ท, ที่หมักดองอยู่ในกระแสจิตถ้าอย่างลึกๆเลยก็กลายเป็นอนุสัยเลยเป็นการมาราคานุสัยเป็นต้นเลยอาสว่นี่นะเป็นกิเลส ท, ที่นอนเนื่องตลอดสังสารวัฏอันยาวนานไม่ปรากฏเบื้องต้นหรือกิเลส ท, ที่ไหลออกทางทวารทั้ง6ที่มันไหลออกทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจจะเห็นได้ว่าไอ้เมื่อตาเห็นสิ่งที่ชอบใจ นะโลภะเน่ยความอยากได้เนี่ยมันก็จะไหลไปกระทางทวารตาด้วยการมองสิ่งนั้นด้วยความชอบใจด้วยความเพลิดเพลินด้วยความยินดีอย่างเงี้ยอันนี้คือการมาสวะอาสวะก็คือกามก็หมายถึงการมาราคะได้แก่โลภะ <c oughs> ความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินใช่ไหมความติดใจใฝ่กระสัทั้งหลายเนี่ยมันจะไหลตลอดทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจ กิเลสมันไหลทางตวนานต่างเกิดความกำหนับหรือภาวาสวะนี่อาสวะคือพบหมายถึงรูปราคะความพอใจในรูปประฌานอารูปราคะความพอใจในอรูประฌานก็จะแก่ยงโลภะเจตสิกเหมือนกันพบนั้นหมายถึงจริงๆรวมทั้งพทุก พ, ท, กพทุกภูมิด้วยเลยซ้ำไปส่วนทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิเนี่ยหมายถึงทิฏฐิเจตสิก นี่จะไปขยายอีกทีได้พูดไปแล้วในเรื่องของทิฏฐุปาทานใช่ไหมวันก่อนได้พูดถึงการมุปาทานใช่ไหมทิฏฐุปาทานสี ร, ระพตุปาทานอัตวาตุปาทานอันนั้นพูดถึงเรื่องของโลภะกับทิฏฐิเนี่ยส่วนก้อสุดท้ายเ อ, อาอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความมืดบอดอันนี้ได้แก่โมหะโมหะความหลงแต่ถ้าตามในเหงมสูตรมีสามนะก็มี ตัวกามาสะวะแล้วก็ผวาสะวะไปเลยเนี่ยทิฏฐสะวะก็เข้าในผวาสะวะแล้วก็เอาวิชาสะวะเป็นต้นเลยทีนี้นพอพูดถึงในเรื่องของเหตทุที่พระพุทธเจ้าบอกว่าว่าด้วยวายการกำจัดอาสะวะตอนนี้ก็เลยสรุปเลยว่าอาสะวะเนี่ย ที่จะต้องละได้เนี่ยมีทั้งหมด <c oughs> วิธีการที่จะละกามาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะวิชาสวะเนี่ยอาสวะที่ต้องละได้ด้วยด้วยการเห็นคือทัศนะนั่นอย่างหนึ่งการเห็นในที่นั้นน่ถ้าให้ตรงประเด็นหมายถึงตัวสภาวะการละได้อย่างถ่องแท้และชัดเจนเลยทัศนะศัพท์นั้นท่านหมายถึงอาสวะที่ต้องละได้โดยโสดาปิมัติเพราะว่า อาสวะที่ต้องละได้โดยโสดาปิมาร์กเนี่ยนี่เป็นการเห็นเห็นสองส่วนนะเห็นพระนิพพานนี่แหละเห็นพระนิพพานไอ้ตัวมรรคจิตที่ไปเห็นพระนิพพานนี่แหละสามารถจะละทิฏฐาสวะหรือกามาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะบางส่วนหนึ่งเป็นต้นเหล่านี้ได้อันนี้ละได้จริงแต่ถ้าละอย่างนั้ น, เ, นเป็นการละแบบสมุเทเฉทประหารแต่ถ้าจากเรื่องเบื้องต้นไปนั้นน่ะด้วยการเห็น ในความเป็นรูปนามขันห้าได้เมื่อไหร่ก็จะละกลุ่มการ ม, มาสะวะทิฐาสะวะวิชาสะวะหรือภาวะสวะเหล่านี้ได้เป็นต่ทางคะนั้นก็จะต้องเริ่มจากต้นๆไปเนื้อต้องฝึกในการเจริญศีลสมาธิโดยเฉพาะเจริญปัญญานี่แหละให้เห็นว่ากระแสชีวิตมันเต็มไปด้วยรูปนามเท่านั้นเองไม่ใช่สัตว์บุคคลสัตว์บุคคลเป็นสมมุติยังไงสามารถเจาะไปเห็นความจริงตรงนี้ขึ้นมาปัญญาเหล่านี้ก็จะเป็นละไปละกิเลสที่เป็นชั่วขนาด ก็เป็นทัศนาในการเห็นชั่วขนาดชั่วขณะทีุ่ดยิยงก็เข้าถึงทัศนาที่สมบูรณ์แบบก็คือโสดาพอดีมักนี่อันแรกประการต่อมาคืออาสวะที่ต้องละได้โดยการสังวรก็มีสังวร ก, การปิดกั้นบาปที่ไหลามาทางทวารตาหววูาจมูกเส้นกายใจนะเป็ น, น, นเรื่องละด้วยสตินั่นจะค่อยว่ากันในรายละเอียดประการต่อมาคืออาสวะที่ต้องละได้โดยการใช้สอยก็มีเศษหรือการใช้สอยในหมายถึงปัจจัย4ี่เลย จีวร อ, นะอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยยาเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปบอกอรายละเอียดประการที่4อาสวะที่ต้องล้าได้ด้วยการอดกลั้นอดทนก็มีอันนี้ทนต่อความหนาวทนต่อความเจ็บปวดไอยนี่ตรงเนี้ยอย่างนี้นนสมมเนมเนคงนัตภูมินะต้องต้องใช้มากเลยตัวนี้ต้องฝึกให้เกิดให้มีให้ได้ตรเนี้ยอาสวะที่เพิงลัได้ด้วยการอดกลั้น แล้วก็ประการที่5อาสวั ท, ที่ละได้ด้วยการหลีกเลี่ยงก็มีเช่นหลีกเลี่ยงงูที่มีพิษหรือสัตว์ร้ายทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้อง เ, อเดี๋ยวไปดูรายละเอียดประการที่6อาสวะ ท, ที่ต้องละได้ด้วยการบรรเทาบรรเทากกาหมวิตกอย่างไรพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอย่างไรเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้อสุดท้ายอาสวะ ท, ที่ต้องละได้ด้วยโพนาก็คือทําให้มีทําให้เป็นขึ้นมา แต่สูงสุดจริงๆท่านเอาเอ า, เอาตั้งแต่สกาทาคามีมิมกักสก อ, อนาคายมากักอามักเป็นต้นแต่โดยเริ่มต้นก็เนี่ยภาวนาคือทำทั้งกายภาวนาศีลภาวนาจิตาาญญาภาวนาปัญญาภาวนายี่เป็นต้นนี่พอจับประเด็นได้นะว่าพระพุทธเจ้าตรัสวิธีละอาสวะเจ็ประการเนี่ยในข้อแรกเนี่ย ข้อแรกนั่นนะ่ะท่านพูดถึงการละด้วยโสดาปฏิมากใช่ไหมก็คือทำ ม, มากให้เกิดขึ้นนั้นโดยตรงดังกล่าวแล้วนันโดยจุดหมายสูงสุดแต่ว่าเริ่มไปจากการเห็นรูปนามขันห้าตามความเป็นจริงยังไงข้อ2เป็นการสังวร น, น, นี้เป็นเรื่องของสติที่เกิดขึ้นในขณะที่รู้เท่าทันในขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นนั่นเนะข้อ3ก็คือการใช้สอยอาสวะที่ละได้โดยการใช้สอยหมายถึง ตัวปัญญาที่พิจารณาประโยชน์ของการใช้สอยจีวรที่อยู่ใสยเครื่องดงห่มแล้วก็ยาข้อสีก็คืออาสวัติลาได้โดยการอดกัน้นอดกั้นเนี่ยต้องใช้ตัวอะโทสะเจตสิกหรือกุศลกุศลขันธ์สี่เวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวกับมีอะโทสะคือความไม่โกรธจะเป็นประธานที่ดำเนินไปด้วยความอดกั้นต่อความหนาวอดกั้นต่อความร้อน อดกลั้นต่อความหิวอดกั้นต่อความทุกทางกายและทุกทางใจเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดว่าเออเขามีวิธีการอดกั้นยังไงพิจารณาอย่างไงให้ควรยังไงใส่ใจยังไงเป็นต้นเนะลายละเอียดจะกล่าวไว้ข้อที่5อาสวัตีระได้โดยการหลีกเลี่ยงเช่นเจรนากุศลที่เกิดขึ้นดําเนินไปด้วยการหลีกเลี่ยงจากช้างดุมา้าดุเป็นต้นเนีนะเรือจากที่มันเป็นอันตรายทั้งหลาย เป็นการหลีกเลี่ยงเห็นภัยเห็นโทษสิ่งนั้นประการที่6อาสวะที่พึงละได้ด้วยการบรรเทาก็คือเพียรในการที่ประกอบกุศลจิตในการบรรเทาการมวิตกเป็นต้นอย่างไรแล้วก็อาสวะที่พึงละได้ด้วยภาวนายคือมากสูงสามตั้แก่สกาทาคามีมากนาคาร ม, มากอาธรรมะมาในโดยสูงสุดนะต่อไปขยายความขยายความในข้อแรกในข้อแรกแรกก็คือถึงในเรื่องของ ทัศนะที่แปลว่าโสดาปิมรักและอีกความหมายหนึ่งหมายถึงนิพพานังปัสตติติทัศนังสภาวะที่เห็นพระนิพพานนะที่ว่าทัศนะนี่จะเจาะให้ลึกๆตรงนี้พูดเป็นหลักวิชาการก็ไว้ก็คือที่จริงการเห็นพระนิพพานเนี่ยที่เรียกวันละได้เด็ดขาดคือละกิเลสเมื่อสภาพปัญญาเข้าไปได้สัมผัสพระนิพพานตราบใดนะเห็นพระนิพพานตราบใดเนี่ ย, ยปัญญาเทวีนั้นก็จะสามารถละกิเลส เป็นสมุทเฉทัพอหารได้แต่ถ้าถามว่าโคตรภูญานก็เป็นวิปัสนาญาณนะไอตัวโคตรภูญานเนี่ยที่เกิดก่อนโซดาปฏิมาเป็นต้นเหล่าเนี้เห็นพระนิพพานไหมเห็นแต่การเห็นนั้นยังไม่สามารถละกิเลสเป็นสมุทเฉทัพอหารได้ท่านเลยไม่จัดเป็นท่านไม่จัดว่าเป็นการเห็นมันจึงไม่เรียกว่าทัศนะเนี่ยยังไม่ชื่อว่าทัศนะส่วนคําว่าภาวนาหมายมรรคบึงสูงสามนั่นอย่าไปกล่าวอะต่อไปแล้วขยายความ อาสวะที่ต้องละได้ด้วยโสดาปันิมาร์เนี่ยเป็นอย่างไรหรือละได้โดยการเห็นตรงนี้ก็คือปุรุชนในโลกนี้ผู้ไม่มีความรู้หรือไม่ได้สดับไอปุรุชนเนี่ยที่ไม่ได้สดับหรือไม่มีความรู้เนี่ยไม่ได้พบพระอริยะไม่ฉลาดอบรมในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้อบรมในธรรมของสัตบุรุษไม่รู้ธรรมที่ควรใส่ใจหรือไม่ควรใส่ใจ คืไม่รู้โยนิโสอายโยนิโสนี่แหละไม่ฉลาดคิดเขาไม่รู้ธรรมที่ควรใส่ใจหรือไม่ควรใส่ใจย่อมใส่ใจถึงธรรมที่ไม่ควรใส่ใจและไม่ใส่ใจธรรม ท, ที่ที่ควรใส่ใจธรรมที่ไม่ควรใส่ใจซึ่งปุถุชนใส่ใจเป็นอย่างไรออคำว่าปุถุชนเนี่ยนะปุถุชนปุถุชนตรงเนี้ยโดยความหมายปุถุเนี่ยหมายถึงบุคคลที่ มืดบอดเนี่ยปุถุชนเนี่ยปุถุเนี่ยแปลว่าหนาก็ได้นะปุถุตวเนี้แปลว่าหนาก็คืออะไรอะไรที่เรียกว่าหนาก็คือกิเลสนี่แหละกิเลสอย่างนั้นหนาเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอันทะปุถุชนถ้าเป็นอันทะภาระดยแล้วเนี่ยอ อ, อันทะเนี่ยแปลว่าบอดภาระแปลว่าเขา ถ้าบอกอันธภ า, าราปรุรชนแปลว่าปุรุชนผู้บอดด้วยและเขาด้วยนะคือโง่ด้วยเนี่ยผู้ที่ไม่ได้อบรมจิตจนกระทั่งรู้จักรูปนามเนี่ยเขาเรียกปุรชนผู้ที่มีกิเลสหนาๆเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทฉะนั้นปุรุชนเนี่ยเป็นบุคคลที่หนากิเลสที่หนามากหนาอย่างมากหนาจนขนาดที่เพราะการไม่ได้อบรมจิตได้ปัญญาไม่ได้ฝึกปัญญาก็เลย บอดด้วยด้วยความเป็นผู้บอดเป็นผู้เขลาเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฉลาดในธรรมของพาริยทั้งหลายเลยเนี่ยผู้รุชนในโลกนี้ไม่มีความรู้ไม่ได้พบพาริยานี่แหละไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้อบรมได้ดีในธรรมของพาริยะไม่ได้พบสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษนี่แหละทีนี้ผุ้รุชนเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นบุคคลที่บอดไม่ได้อบรมจิตจนกระทั่งรู้จักรูปนามตามความเป็นจริงได้เลยบอดเลยทีนี้พวกเราเป็นแบบนั้นไหม เป็นไม่เป็นก็เลยขยายยาวในเรื่องของความหมายของบุรุชนตรงนี้เลยว่างั้นเถอะมากับบุรุชนเนี่ยที่ว่ายังไม่เรียนรู้เพราะไม่มีอาคมก็คือไม่มีปริยัตอสุตวาก็คือไม่ได้สดับเพราะไม่มีอธิคมก็คือการปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานบุรุชนคือไม่มีอาคมที่จะกระจัดความไม่รู้ก็คือไม่มีปริยัตและไม่ได้เรียนคําสอน เพราะเหตุที่เว้นจากการเรียนเว้นจากการสอบถามและก็เว้นจากการไปวินิจฉัยในขันทัดอยายตนะสัจจ์หรือปัจิยาการไม่รู้ในสติปัฏฐาน4ี่เป็นต้นเหล่านี้ก็เรียกไม่รู้ก็เรียกไม่มีที่คมเพราะไม่ได้บรรลุธรรมที่บึงบรรลุด้วยการปฏิบัติไม่บรรลุโสดาปติมารสกัจทาคามิมาร์เป็นต้นเหล่านี้ไม่สามารถเดินเข้าสู่การฝึกในศีลสมาธิปัญญาเป็นต้น จนสามารถรอบรู้ได้ปุรุชนเหล่านั้นจึงที่อว่ายายะเพราะไม่มีอาคมชื่อว่าอาสุตวาเพราะไม่มีอธิคมอาคมหมายถึงปริยัติอธิคมหมายถึงการแทงตลอดถูกใจะฉะนั้นจะมองปุรุชนเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าเหตุทั้งหลายก็คือเป็นผู้มีกิเลสหนานี่แหละยังลงภายในกิเลสที่นนหนาๆตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าชื่อว่าปุรุชนเพราะเพราะเหตุทั้งหลายคือ ยังกิเลสเป็นต้นที่หนามีประการต่างๆให้เกิดทําว่าหนาเนี่ยมีกิเลสหนาหเกิดยังไงถูกสักยะทิฏฐิเบียดเบียนมาถกถูกทิฏฐิคือความคินผิดเบียดเบียนมากอ้าวเบียดเบียนยังไงถกูกตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเกิดแล้วแล้วเรล่าในกระแสของความคิดบ่อยๆแทนที่จะให้ปัญญาเกิดไม่เกิดไอ้ทิฏฐิคือความคินผิดจะเกิดแล้วเกิดอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีก เกิดจนกลายเป็นบุคคลที่ความคิดหรือปัญญาก็ไม่เกิดก็เลยกลายเป็นคนหนาด้วยกิเลสไงถูกเบียดเบียนอย่างเงี้ยพุทธชนเพราะอะไรว่าถูกสักกายะที่ตีเบียดเบียนมากและพุทุชนอีกความหมายหนึ่งต้องคอยมองหน้าดูศาสดาบ่อยๆคําว่ามองหน้าดูศาสดาบ่อยๆก็คือเอาเดี๋ยวก็ไปนับถือสิ่งโน้นสิ่งนี้ใช่ไหมโอ้สารพัดนลย ออมาอัตภาพนี้นับถือนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนการนับถือเปลี่ยนสาระไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆชนๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆศาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆว่ายังไม่หลุดพ้นไปจากคติทั้งปวงที่หนาๆนๆๆๆิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เดรัจฉานกคติสัตว์เดรัจฉานเปติกติเกิดเป็นเปรญดแล้วก็มนุษย์เยคติเกิดเป็นมนุษย์เทวกติเกิดเป็นเทวดาเนี่ยโอ้โห ย, ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากคติหรือที่ไปเหล่านี้นี่เรียกว่าปุโรชนปุโรช น, นีความหมายหนึ่งก็ปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งต่างๆเป็นนันมากโอ้โหยปรุงแต่ ง, ต ง, ต ง, ต ง, ตงปรุงแต่งบาปปรุงแต่งราคะโทสะโมหะปรุงแต่งทุกข์วุ่นวายนั่นแหละหาทางออก หาตัวเองไว้พบพู้ดูชนเนี่ยหน า, หนาแน่นด้วยกิเลสประเภทนี้หมุนอยู่ในใจตลอดอย่างนี้แหละแล้วก็ถูกโอคะเป็นอันมากท่วมทับการโอคะโอคาคือกามก็กิเลสกามก็ไหลท่วมทับเพอโอคาโอคาคือพบก็ไหลไปในพบต่างๆออกแต่พบไม่ได้ถุงถุงน้ําคือพบเนี่ยพบคือเป็นประดุดน้ํำนี่ไหลท่วมทับทิศโขคโอคะคือทิศทิ่ไอ้ทิศทีก็ไหลท่วมทับ ออกจากความเห็นออกจากทิฏฐิออกจากรูปแบบออกจากทฤษฎีออกจากความเชื่อไม่ได้แล้วก็อวิโชค่าโอค่คือความหลงความมืดบอดถูกโอค่าเหล่านี้พัดไปมากแล้วก็เดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนต่างๆเป็นนั้นมากโอ้โหเดือดร้อนเนะี่ยทางชาติกันดานชรากันดานพญาทีกันดานวรนาคันดานเนะี่ยต้องเกิดบ่อยๆแก่บ่อยเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆต้องโศกบ่อยเนี่ยแต่ะพัฒแหละและเดือดร้อนด้วยความเร่าร้อนต่างเนี่ยให้ปุโรชนเนี่ยกำหนัด ติดใจสยบรุ่มหลงติดขัดขัดข้องพัวพันในการมาคุณเป็นนั้นมากด้วยพอเจอรูปที่สวยๆเสียงที่พเพราะกลิ่นที่อหอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆปุ๊บกำหนัดติดใจสยบรุ่มหลงติดขัดเลนะข้าวนะข้าวพอเบื่อรูปนี้แล้วก็ขัดข้องกับรูปนี้แล้วก็ภาพอยากจะหนีมันแล้วก็ไปพัวพันในรูปเสียงกลิ่นรสใหม่อยู่ล่ําไปก็คือมัวเมาในการมาคุณมากๆเป็นนั้นมากบุรุษชนเป็นอย่างเงี้ย ผูรุชนก็ถูกนิวรมีการมาฉันท่านิวรพยาบาทนิวรขีนมีท่านิวร อ, อุทจกักกูกุจานิวรแล้วก็วิจิกิจฉานิวรความลังเลสงสัยนี่แหละร้อยรัดไว้ปกครองไว้ปิดบงังครอบงามไว้เป็นอันมากนี่ผูรุชนเป็นอย่างนี้นะความหมายอย่างหนึ่งปุรุชนก็คือเพราะอยู่ในหมู่ชนผู้มีธรำจริยาที่ต่ำรำจริยาที่ต่ำทำจริยาที่ต่ำก็คือว่าน่นแหละ กายยัุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยอยู่กับการฆ่าสัตว์บั่งลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในการมบ้างอยู่กับการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อบ้างอยู่กับความโลภบ้างอยู่กับความโกรธบ้างอยู่กับความหมิ่นผิดบ้างอยู่ในธรรมจริยาที่ต่ำๆแบบนี้ออกจากไอจริยธรรมต่ำๆนี้ไม่ได้เลยว่างั้นอยู่กับกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอยู่กับบาปกุศลธรรมอันชั่วช้าก็หลหมุนอยู่อย่างนี้แหละเพราะงั้นนี่ผุุ้ชนเป็นแบบนี้หลงไหล หันหลังให้อริยธรรมหันหลังให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญาหลังหันหลังให้ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระรัตนตยหันหลังให้กับวิริยะคือความแก้วกลาอาหารพหันหลังให้กับสติเพราะเป็นคนมัวเมาหลงลืมสติตลอดหันหลังให้กับสมาธิอยู่กับความฟุ้งซ่านหันหลังให้กับปัญญาอยู่กับความมืดบอดเนี่ยเป็นอย่างนี้นะก็เลยหันหลังให้อริยธรรมเป็นจํานวนมากนับไม่ถ้วนปุโรชนพ่อแต่ว่า ชนนี้ถึงการนับว่าแยกอยู่ต่างหากแยกอยู่ต่างหากก็คือไม่เกี่ยวข้องกับพระริยเจ้าประกอบไปด้วยคุณมีศีลสุสตตะจาระคัปปัญญาเป็นต้นแยกกันเลยนะพระริยเจ้าท่านมีศีลใช่ไหมมีศีลมีศรัทธาใช่ไหมในพระรัตนตรายมีศีลใช่ไหมมีคุณอยู่กับคุศโลศีลอยู่กับสุตตะคือข้อมูลของพระริยะอยู่กับจาระคือการสละ ก, กิเลสสลัขันสละภายนอกสละภายในอยู่กับปัญญาแต่บุรุชนอยู่ตรงกันข้าม ผู้คนไม่มีศรัทธาในพระราตนตรัยุู้คนไม่มีศีลผู้ชนไม่มีข้อมูลความรู้ภาริยาผู้ชนไม่มีจาคะไม่มีการสละนอกสละในุริคนไม่มีปัญญาอยู่คนละส่วนอยู่คนละพวกนี่ผู้คนเป็นอย่างนี้อยู่คนละพวกนี่เข้าใจไหมพระเจ้าจึงบอกว่าอันทะผู้ชนพวกหนึ่งแล้วก็กัลยาณ์ุริชนพวกหนึ่งอันทะุริชนเนี่ยเมื่อกี้พูดเรื่องอันทะผริชนล้วน คุอผชนผู้มืดบอดผู้ดูชนผู้มูดอบอดอย่างเงี้ยคุยกันยากแล้วในสมัยนี้มีเยอะไหมมีเยอะเนีงั้นก็เราด้วยเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยงั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นปัญหานี่ประเด็นต่อมาก็คือกาลยาณะุริดชนกาลยาณะุริดชนเนี่ยก็แปลว่าผุ้ดชนเป็นคนดีที่ผู้มีกาลยานธรรมผู้ได้อบรมจิตจนกระทั่งรู้จัก เข้าใจนีกาลยาบุโรชเนี่ ย, ย, เ, ยเข้าใจเลยเข้าใจสติปัฏฐานเข้าใจขันรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจธาตุเข้าใจอายตนะเข้าใจสัจจะเข้าใจปัจจัยการเข้าใจอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสรายาตนะในหลักของปัจจัยาการหลักปฏิจจมวาหลักกระแสของขันธาตุอายตนะที่มันเกิดขึ้นสืบต่อกันตลอดสายบุโรชอย่าเรียนรู้เรื่องพวกนี้ฉลาดในเรื่องพวกนี้เข้าใจกระแสชีวิต ว่ารูปธรรมเป็นอย่างนี้นะเนี่ยในส่วนรูปบอกว่าหนึ่งส่วนนามมา ร, รมที่จริงในในกาลยาวปุโรชนันเขาจะเป็นปุโรชนันที่เรียนรู้ใช่ไหมเรียนรู้เรื่องรูปในรูปธรรมทั้งหลายก็แยกเป็นหมหาภูทะลูอุ ป, ปาไทายรูปยังไงที่ธาตุดินเป็นอย่างนี้ธาตุน้ําเป็นอย่างนี้ธาตุไฟเป็นอย่างนี้ธาตุลมเป็นอย่างนี้ เรียนรู้เรื่องอุปาทายรูปด้วยจากกุบศาสตร์ในประสาทตาเป็นไงรสแตประสาทประสาทหูขณะประสาทเนี่ยประสาทจมูกชิวหาประสาทความใสคือประสาทลิ้นที่รู้รสเนี่ยกายยประสาทที่รู้สัมผัสเย็นร้อนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็จะสามารถรู้รู้สภาวะธรรมที่กลุ่มรูปธรรมทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันเราไปยึดมั่นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่ไหมแต่กระยาบุรุชนก็จะเรียนรู้พวกนี้เพื่อจะเจาะเห็นรูปธรรมเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังไปแยกกลุ่มนามธรรมด้วยนะ แยกกลุ่มนามธรรมคือกระบวนการความคิดเนี่ยส่วนนี้เป็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนี่เป็นกลุ่มเวทนานะกลุ่มนามธรรมที่เป็นเวทนาส่วนนี้เป็นส่วนของสัญญาเนะ้นจำในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลภัณฑ์ในธรรมอารมณ์ทั้งหลายในกลุ่มสัญญ า, าสัญญาขันไอ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มของสังขาระขันเนี่ยสังขารละขันเนี่ยโอ้โหมีเยอะเลยทั้งฝ่ายบุญบฝ่ายบาปฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลอย่างไงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มวิญญาณขันก็คือรู้อาร จตที่เขาไปรู้ทางตาหูจมูกเล่นกายใจนะีจักรุณยานเป็นยังไงสลดแต่ยานก็ไปแยกแยะทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ก็พยายามอยากจะรู้เรื่องนี้รู้จักลูป น, นากันทธ์ไปไปมามาวิทยาศาสตร์ก็ได้แค่รูปธรรมแต่วิธีเขาพิสูจน์พิสูจน์ยังไงรู้ไหม ย, ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ามนุษย์เกิดความเครียดขึ้นมามันจะหลั่งสารชนิดนี้วิทยาศาสตร์ก็เอามีเครื่องมือไปไปดูแลโอ้เอ็มีเครื่องมือมีสารตัวนี้หลัง่ลงอกมาในสมอง สัตว์เกิดความเครียดรุรรษะสัตว์เกิดความสุขสารชนิดหนึ่งที่มันมันหลั่งออกมานี่นะเออก็มันสังเกตดูเนี่ยที่สมองนี่ยังยังนู้ดแต่สมเนานเนี่ยนะก็จะไปตรวจเลยนะวิทยศาศาสตร์ไปตรวจได้เลยว่าเอ๊ะมีความเครียดมากหรือเครียดน้อยมีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยเออในขณะที่มีใจมีความทุกข์จะหลั่งสารอะไรออกมาใช่ไหม พอหลังสารชนิดนี้ออกมาก็จะไปตรวจเปเสร็จก็เดี๋ยวเขาไปแก้ไขที่รูปธรรมวิธีแก้ของเขาคือว่าเออไอเจ้านี้มันเครียดมากเขาก็หาสารชนิดเนี้ยแล้วก็ฉีดเข้าไปให้จะมีความสุข น, นี่เป็นบานบังคับไหมบังคับเนี่ยไปเพิ่มเพิ่มสารชนิดนี้เข้าไปก็หน ม, มีความสุขเลยอยากได้ไหมสารชนิดนี้เขาไม่ได้ไปแก้ที่กวนนามมาทำกวนนามมาทำมันไม่ได้เห็นได้ใช่ไหม พอนามมาทำวิปริตเขารู้ไม่ได้เขาแก้ไขไม่ได้เขาเลยมาแก้ที่รูว ป, ประธรรมเพื่อให้ส่งต่อไปถึงนา ม, มาทํารรมเงนก็ได้เหมือนกันในะยกตัวอย่างพวกติดสารเสพติดคนปวดใช่ไหมพอปวดขึ้นมาขึ้นมาเ ข, า, ขาใช้อะไรเขาฉีดอะไรหมอฟินพอฉีดเข้าไปเป็นยังไงสุกไหมเออสุกเลยเคยโดนฉีดไหมยังไม่เคยนะถ้าเคยพาตัดจะเจ็บเลยเนี่ยไอ้นอนไม่หลับหรือว่าทกใจทั้งหลายเหล่านี้ เ, เครียดหรือปวดตามร่างกายเนี่ยเขาใช้สารเหล่านี้ฉีดเขาได้นี่นก็แก้ที่ไหนแก้ที่รูปธรรมหรือแก้ที่นมามธรรมแก้ที่รูปธรรมว่าให้กายผ่อนคลายก่อนแล้วใจจะได้มีความสุขเอ ง, อง น, นะอนี่ก็แก้พิดนะแก้ผิดที่ไปนิดนึงเนี่ยในรายละเอียดมันเป็นอย่างเงี้ยเออนี่พูดถึงในเรื่องของกาลยาบุริชนนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ากาลยาบุริชนคนที่ดีทั้งหลายก็คือรู้จักอบรมจิตเงี้ย อภิการต่อมานี้รู้จากบุรดูชน2 ส, ส่วนนะให้บุ้ดูชนที่จะสา ม, มารถสอนแนะนําพร่มสอนหรือฝ่ายรู้ใฝ่ายเรียนใฝ่ศึกษาต้องกลุ่มนี้กลุ่มกระยาทั้งุู้ดชนคือคนดีทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละคนทนี่มีการเรียนรู้มีการศึกษาคําว่าศึกษามานจะคําว่าศึกขาเนี่ยคือฝึกคือบุคคลที่มาเรียนรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาเมื่อเรียนรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มาฝึก มาฝึกทําให้ศีลเกิดขึ้นทําให้สมาธิเกิดขึ้นทําให้ปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยเป็นกลกุ่มกิริยาบุรุชนนะส่วนคําว่าพระอริยะนี่คือผู้ประเสริฐก็หมายถึงพระพุทธเจ้าเนีเป็นพระอริยะผู้แต่สรู้ได้ชอบด้วยตนเองพระปเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่สรู้ได้ด้วยตนเองด้วยแต่ไม่สามารถจะบอกหลักการให้คนอื่นแต่สรู้ตามได้พระพุทธสา ว, วกที่เชื่อเป็นพระานต่นสาวกที่เชื่อว่าเป็นพระอริยะเพราะอะไร เพราะเป็นผู้ไกลาจากกิเลสใชไใครที่ไกลาจากราคาความกำหนักโทสะความโกรธแล้วก็โมหะความหลงไกลจากบาปสารธรรมมันชั่วร้ายเนี่ยไกลแสนไกลาจากกิเลสเหล่านี้ mm hmm. เขาเรียกอริยะแปลวเป็นผู้ประเสริฐอย่างเรายังเป็นบุรุษชนอยู่ใช่ไหมอยู่ในกลุ่มอา้าวฝึกต้องการฝึกฝนพัฒนาตนเองก็เลยจัดส่งคล้อให้เป็นกัลยาณบุรุษชนาบางแห่งบางที่ท่านก็ส่งคล้องให้ว่าอา้าวเป็น เศษข่าบุคคลได้ด้วยส่งเคราะห์นะจัดเข้าให้เป็นเศษข่าบุคคลแปลว่าบุคคลที่กําลังศึกษาหรือมีการศึกษากําลังที่จะฝึกกําลังที่จะเรียนรู้นี่กำกำลังเรียนรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาและในขณะเดียวกันก็กําลังฝึกจากที่ไม่มีศีลก็ทําศีลให้เกิดขึ้นไม่มีสมาธิก็ฝึกกระแสชีวิตให้มีสมาธิเกิดขึ้นจากที่ไม่มีปัญญาก็ฝึกปัญญาให้มีให้เกิดขึ้นนี่ก็เลยเรียกว่าเป็น เสขะบุคคลในะนบุคคลที่กําลังศึกษาหรือมีการศึกษาก็ได้เระนั้นภาริยาเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากราคาโทสะโมหะและก็ไม่ดําเนินกระแสะชีวิตไปในทางที่เสื่อมในตองเกตฑ์จะต่างกันนะภาริยะทั้งหลายเนี่ยท่านจะดําเนินชีวิตไปตามสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องใช่ไหมสัมมาสังกัปปะตำรีถูกต้องสัมมาวาจาการกล่าววาจาที่ถูกต้อง สัมมากรรมตะการกระทําที่ถูกต้องสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องสัมมาวิยมะเพียนที่ถูกต้องเพี้ยนออกจากบาปสัมมาสติระลึกในสติปัฏฐาน4ี่เป็นต้นสัมมาสมาธิคือการตั้งมั่นในสมาธิในฌานเป็นต้นเนี่ยพาริยะทั้งหลายเนี่ยท่านจะดําเนินกระแสชีวิตไปตามมัชฌิมาปฏิปทาส่วนอันทะภารบุรุษชนทั้งหลายก็จะดําเนินกระแสชีวิตเป็นในทางที่เสื่อมดําเนินกระแสชีวิตไปในทางวิจารณีความเห็นผิด มิจฉาสังฆปาดดัมบลผิดดัมบลีไปในกรรมบ้างดัมบลีไปในพยาบาทบ้างดัมบีในการเบียดเบียนบ้างแล้วก็มิจฉาวาจาการกล่าววาจาที่มีถูกต้องมีการกล่าวเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อชื่อสมมารกรรมตะเป็นการกระทําที่มีถูกต้องมีการฆ่าสารรักทราบประพฤติผิดในการมสมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องการเลี้ยงชีพที่เบียดเบียนตนและบุคคลอื่นและเบียดเบียนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมสมมาเอ่อเป็นเอไม่ใช่เป็นมิจฉา มิจฉากรรมมันเนเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังคปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมตะมิจฉาอาชีวะป็นการเลี้ยงชีพไม่ถูกต้องแล้วก็มิจฉาวายามะเพี้ยนผิดเพี้ยนไปในบาปมิจฉาสติก็ระลึกไปในอกุศลมิจฉาสมาธิก็คือตั้งมั่นผิดมีการตั้งมั่นในการที่จะฆ่าสัตว์รักทรัพย์เป็นต้นเนี่ยเห็นไหมถ้าอันทะพาลบริโภคก็จะดําเนินกระแสชีวิตไปในทางที่เสื่อมถ้ากัลยาณ์บริโภคหรือภาริยาทั้งหลายก็ดําเนินกระแสชีพไปในทางที่ เจริญเป็นตรงกันข้ามอย่างนี้แหละนี้เป็นต้นดําเนินไปในทางเจริญและเป็นผู้ที่ชาวโลกและเทวโลกควรเข้าไปหาหพระพุทธเจ้าสาวกงคพระุทธเจ้าหรือพระปัจเจพระุทธเจ้าทั้งหลายนี่มนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายก็น้อมทีเข้าไปหาไปเข้าใกล้อีกอย่างหนึ่งคํานี้หมายถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยนะในพระสูตรนี้การในลักษณะอย่างนั้นนี่หมายถึงอริยะ ในพระสูตรนี้ท่านกล่าวถึงคาว่าสัตบุรุษด้วยสัตบุรุษก็คือคนดีโดยทั่วไปหมายถึงผู้ที่มีกระตัญยูกระตะเวทีรู้คุณและตอบแทนคุณหมายถึงนักปราดหมายถึงกรยาณมิตรผู้มีความพักดีมั่นคงผู้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจ แต่ในที่นี้หมายถึงพระปัเจกพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะสัตว์บุรุษในที่นี้นะหมายถึงพระปัเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพราะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าไว้แล้วด้วยคําว่าอริยะอีกความหมายหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคําว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าและก็พุทธสาวกทั้งสาประเภทด้วยโดยในหลังนี้พระอริยะและสัต์บุรุษทึงหมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัเจกพุทธเจ้าและก็พระอริยะสาวกนะ ในแรกหมายถึงพระพุทธเจ้าและพระประเจกับพระพุทธเจ้าได้สองประเภทนี่เป็นอย่างนี้ประการต่อมาคือคำว่าในพระสูตรนี้ท่านพูดถึงในเรื่องของคำว่าอริยธรรมเมอวินิโตก็คือบุคคลที่ไม่ได้อบรมในธรรมของพระอริย it it อวินติอวินิตะเนี่ยเป็นมาจากคำว่าวิน at ิยัติฐาน วินีโตก็คือผู้ถูกแนะนำแล้วผู้ได้อบรมแล้วนี่หมายถึงพระอริยะถ้าอวิีโตอวินีโตเนี่ยหมายถึงผู้ไม่ถูกแนะนำแล้วผู้ไม่ได้อบรมแล้วนี่หมายถึงบุตุชนฉะนั้นผู้ที่ได้ผู้ที่ถูกแนะนำแล้วผู้ที่ได้อบรมแล้วเนี่ยหมายถึงพระอริยะเลย ได้แนะนําถูกแนะนําอะไรถูกแนะนําในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอบรมในอะไรอบรมในศีลในสมาธิอบรมปัญญาหรือบุคคลที่ได้อบรมกายแล้วนะีถ้าโดยตรงอบรมกายแล้วอบรมศีลแล้วอบรมจิตแล้วอบรมปัญญาแล้วน ะ, ะถ้าจึงเรียกว่าภาวิตต์พาวิตต์ก็คือเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีกายที่พัฒนาแล้วมีศีลที่พัฒนาแล้วมีจิตที่พัฒนาแล้วมีปัญญาที่พัฒนาแล้ว อันนี้หมายถึงพระ อ, อริยะเลยหมายถึง พ, พระรพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าและพระราห์มีสูงสุดเอาอย่างนั้นเลยนะ <c oughs> อย่างเราเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้อบรมนะเออบอกว่ายังไม่ได้อบรมกายแล้วยังไม่ได้อบรมศีลแล้วยังไม่ได้อบรมจิตยังไม่ได้อบรมปัญญาแต่จัดว่ากําลังไนดะ้ถ้าเป็นกัลยาบุรุษเนี่ยกําลังอบรมกายอบรมกายในที่นั้นก็พูดถึงเรื่องกุมิณีสังวรด้วย อบรมศีลก็คือกลุ่มศีลหลักมีปฏิโมกสังวรศีนี่นะอบรมจิตก็คือกลุ่มสมถะอบรมปัญญาก็กลุ่มวิปัสนาญาณเรานี่กําลังอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเทตะปุถุชนเนี่ยยังไม่ได้อบรมนี่นี่เป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็พูดเยอะเลยนะนี่นี่พูดซะเยอะเลยทีนี้เอาละทีนี้จะได้เข้าในเรื่องของคําว่าอสาสวะที่ต้องละได้ด้วยการเห็น ก็พูดในตอนนี้พอพูดพอไปเจอในพระ ส, สูตรบอกว่าปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่มีความรู้นี่เราจะเข้าใจทันทีแล้วหมายถึงใครไม่ได้สดะไม่ได้พบพระอริยะไม่ฉลาดอบรมแล้วในธรรมของพระอริยะไหมผู้ที่ยังไม่ได้รับการแนะนํายังไม่ได้อบรมแล้วก็รู้แล้วและที่ได้รับการแนะนําได้รับการอบรม น, ย น, ยนายวิญญาณพระอริยะนอกนั้นเป็นปุตุชน ย, ยังไม่ได้รับการอบรมเลยแนะนำาแต่กัลยาบุตรชนนี่คือกําลังได้รับการแนะนํา กำลังได้รับการอบรมภาริยะก็คือไม่ได้พบสัตว์บุรุษไม่ฉลาดไม่ฉลาดอบรมดีแล้วในธรรมของสัตว์บุรุษไม่รู้ธรรมที่ควรใส่ใจหรือไม่ควรใส่ใจเขาไม่รู้ธรรมที่ควรใส่ใจหรือไม่ควรใส่ใจย่อมใส่ใจธรรมที่ไม่ควรใส่ใจไม่ใส่ใจธรรมที่ควรใส่ใจที่ได้พูดเชื่อมโยงเมื่อสักครู่ก่อนหน้านั้นทีนี้ ผู้ดูชนเนี่ยใส่ใจในธรรมเหล่าใดผูรุูชนคนมืดบอดเนี่ยบอกการมสาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญนี่เปนะก็กลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่พูดถึงรังกามสาสวะอาสะวะคือกามกิเลสที่ไหลไปในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐพลาที่น่าปรารถนาหน้าใครไ่ไอ้กลุ่มโลภะนี่ความกำหนัดความยินดี เ, เมื่อผุรุูชนเนี่ยใส่ใจผิด เนี่ยพอใส่ใจผิดเช่นไปใส่ใจในสิ่งที่ไม่งามว่างามขึ้นมาเป็นไงเนี่ยโลภะที่ยังไม่เกิดเกิดไหมที่เกิดเกิดแล้วเจริญเลยเนี่ยการมาสวะที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญใช่ไหมหรือภวาสวะความติดใจในภพทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่อที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญหรืออวิชชาสวะความมืดบอดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือทำที่ไม่ควรใส่ใจของบุรุษชน ที่ไปใส่ใจผิดอย่างนี้เมื่อคู่ก็บอกว่าไอ้การ ม, มาสวะไอ้ความยินดีในการ ม, มาคุณห้ามีไหมอาสวะเหล่านี้เรามีไหมยินดีในรูปที่สวยๆเสียงที่เพาะๆกลิ่นที่หอมหอมรสอร่อยผลิภัพฑ์ที่นิ่มสัมผัสอันนี้ความชอบเห็นรูปที่สวยๆฟังเสียงเพาะๆดมกลิ่นเนี่ยที่หอมๆรสอร่อยและสัมผัสที่ถูกใจอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าการ ม, มาสว ะ, ะนั้นถ้าใส่ใจผิดเนี่ยมันเกิดเลยนะแล้วก็จเจริญเลยใช่ไหม ทวาสว่ความพอใจในรูปประชาญารูปประชาญหรือความพอใจในรูปพบารูปพบเนี่ยพอใจในการอันนี้ติดใจในพบติดใจในการเกิดเป็นพรมเป็นต้นหรือติดใจในขันเป็นต้นอะไรเนี้ยในขันห้าเป็นต้นนี่พอใส่ใจผิดก็จะติดใจอวิชชาสว่างคือความหลงไม่รู้อริยสัจสีไม่รู้ในทุกข์ในสมุทัยและไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในมรรคความไม่รู้ในความไม่ที่ยง เปต้นเหเนี่นะก็เลยไปใส่ใจผิดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยในรูปนามที่ประกอบไปด้วยไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนาตตาเนี่ยนะเลยไปใส่ใจผิดไปใส่ใจว่าเป็นเราเป็นเขาก็เลยไปใส่ใจว่าเที่ยงไปใส่ใจว่าเป็นสุขไปใส่ใจว่างามไปใส่ใจว่าเป็นอัตตาตัวตนอย่างนี้มันก็หมอบอดเลยอวิชชาคือโมหะมันก็เกิดขึ้นอาแตนนี้พูดถึงตรงนี้ก่อนว่า ถบุรุชนเนี่ยที่เราใส่ใจผิดเนี่ยที่เราไปสําคัญว่ากระแสะชีวิตนม่นเป็นเราเป็นเขาเนี่ยอันนี้แปลว่าปัญญาไม่เกิดใช่ไหมเรื่องเราจะทํายังไงให้ปัญญามันเกิดถ้าปัญญาไม่เกิดเนี่ยมันจะหลงผิดตลอดไหมมันจะหลงผิดตลอดเราจะเห็นโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายก็ชอบใจ เกิดชอบใจไม่ชอบใจอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการใส่ใจที่ผิดทีนี้ทำที่ควรใส่ใจซึ่งปุถุชนไม่ได้ใส่ใจเป็นอย่างไรเมื่อปุถุชนเนี่ยใส่ใจถึงทำเหล่าใดนะบอกว่าปุถุชนจะไม่ใส่ใจกามาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมสื่อเนี่ยปุถุชนจะไม่คิดแบบนี้หรอ <S <S คิดทีไรแล้วเนี่ยอาสะวะเกิดแล่นได้ทีแต่ว่าไอ้นี่ทำเหล่านี้เขาไม่ควรจะเขาเขา เขาน่าจะใส่ใจแต่เขาไม่ได้สใส่ใจเส้นไปใส่ใจว่ามันไม่ได้งามจริงมันไม่ดีจริงไปใส่ใจวิเคราะห์เจาะลึกเข้าไปเห็นเขาตามความเป็นจริงเนี่ยบุรุชนโดยทั่วๆไปแล้วไม่ได้มาเจาะว่าโอ้ในกระแสะชีวิตนี่นประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมยังไงที่ประดับไปได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดยังไงไม่ได้มีเพชศนินยินดายอยู่ในนั้นเลยมีแต่สิ่งที่ไม่งามโสโครกด้วยเนี่ย ไม่งดงามไม่ดีจริงเนี่ย so ผ so so so so ู้ดชนจะไม่ไม่ใส่ใจอย่างนี้ก็ไปใส่ใจว่างามใช่ไหมแต่ถ้าใส่ใจอย่างนี้นะถ้าใครใส่ใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอาสวะมีกามาสวะเป็นต้นที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมนะถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วกิเลสจะเสื่อมนันดีเรามาวิจัยดูทีไปวิจัยรูปนามกันห้าดูทีวิจัยให้เจาะลึกจริงๆนะไปคิดไปวิจัยไปแยกแยะปุ๊บเนี่ยบาปที่ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นไอบาปที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมไป ภาวะสวะความยินดีในขันความยินดีในพรบที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมอาวิชาสวะความมืดบอดเนีที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมอันนี้คือทำที่ควรใส่ใจซึ่งปุรุชนไม่ได้ใส่ใจบุรุชนที่มืดบอดไม่ไม่ได้ใส่ใจทีนี้อาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญของบุรุชนนั้นของบุรุชนนั้น ใส่ใจทําเหล่านี้ที่ไม่ควรใส่ใจไม่ใส่ใจทําที่ควรใส่ใจเนี่ยเพราะอะไรพอพ่ะเพราะบุรชนนั้นเน่ยใส่ใจโดยไม่แยกคายไม่ใส่ใจโดยไม่แยกคาย <S 1> <S 1> คือบุรชนโดยมาก <Instagram> มาก็ไปคิดว่าในอนาคตการเนี่ยในอดีตาการเนี่ยเราเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดปุ <S 1> <S 1> ุชนจะคิดอย่างนี้นะในอดีตาการเราเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดเห็นไหมไปคิดด้วยความเป็นเราแล้วเป็นสัตว์บุคคลว่าเคยเกิดหรือไม่เคยเกิด เพราะการที่ไม่ฉลาดที่เห็นกระแสขันท่าอิยตนะเห็นกระแสของชีวิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เห็นเขาไม่เข้าใจที่จริงกระแสของชีวิตเนี่ยนะทั้งรูปแรืนามกระแสของชีวิตทั้งรูปธรรมเรืนามประธรรมเนี่ยที่รวมเป็นกระแสชีวิตหนึ่งๆเนี่ยมันเกิดดับทุกวินาทีนี่เกิดดับาเร็วสืบต่อกันตลอดเวลาแต่บุรดูชนไม่เห็นพอไม่เห็นก็เลยเห็นด้วยสัตว์บุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาพอไปเห็นด้วยกางเป็นสัตว์เป็นคนก็เลยไปคิดว่าในอดีตการเนี่ย เราเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดอะไรนี้และสมมุติว่าไม่เคยเกิดเราเคยเกิดเป็นใครเคยไปเกิดเป็นใครเกิดเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นขอทานเป็นเครืหาบุดีเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นเปรตเป็นสุรกายเกิดเป็นใครเราเคยมีรูปร่างสันฐานอย่างไรโอ้สงสัยหมดเลยนะทุานชมเนี่ยมีรูปร่างสันฐาน อ้วนดำผอมจะไงเนี่ยเราเคยเป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรนีเคยเป็นกษัตริย์แล้วมาเป็นข้าบดีจากข้าบดีมาเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยมันมั น, ม, นมันสงสัยนี่อดีตสาไปมองไม่เห็นรูปน้ำกันนะเห็นก็ในความเป็นสัตว์บุคคลนี่บอดนี่คือเอาวิชาในานาค้อตกล่ะในนาคตการน ะ, นานารนะเราจะเกิด หรือจกไม่เกิดในชาตินี่ยเอาละสิไม่ได้เห็นกระแสขันทัดไม่เห็นกระแสของชีวิตออกแท้จริงก็คือว่ามันเกิดดับสืบต่อถ้ายังมีกิเลสอยู่มันก็จะสืบต่อไปเรื่อยๆถ้าสืบต่อนการปัจจุบันนี้เรียกปัจจุบันชาติถ้าปัจจุบันชาติยังทําลายกิเลสไม่ได้การสืบต่อมันก็ไม่หยุดมันก็สืบต่อไปเรื่อยก็เป็นอนาคตชาติก็เป็นอนาคตาต่นนตขันของชีวิต เงี้มันก็สืบต่อไปเรื่อย ๆ, ๆถ้ากิเลสมันไม่หยุดไอตัวเชื่ อ, อาการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ถูกทําลายมันจะไปหยุดได้ยังไงมันไม่เข้าใจตรงนี้คุณ ด, ดชนไม่เข้าใจแค่ไหมพอไม่เข้าใจก็จะมองไม่เห็นเราเห็น ไ, ไหมเราจะเกิดหรือจะไม่เกิดในชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรจะเกิดเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นยันธ น, นะ จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นเประอสุรกายทั้งหลายจะเกิดเป็นอะไรเราจะมีรูปร่างสรนฐานอย่างไรเออจะไปเกิดเราจะมีรูปร่างดำขาวอ้วนเตี้ยยังไงเนี่ยนี่ยสัยสนใจเราจะเป็นอะไรแล้วจักมาเป็นอะไรเช่นวัฒชาติต่อไปสมมติไปเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นดำขาวเนี่ยแล้วต่อไปจะไปเกิดอะไรอีกโอ้สงสัยที่ผู้ดูช์เป็นแบบเนี้ย นี่สงสัย อ, อดีตและสงสัยนาคต้วยไหมสงสัยนาคตด้วยหรือปัจจุบันฉบับนี้ฉบับนี้สงสัยสับสนภายในตนปรับลปัจจุบันอาการว่าเรามีอยู่หรือไม่มีอยู่นี่สงสัยเราเนี่ยมันมีอยู่หรือไม่มีใช่ไหมเพราะงงๆ ง, งนะบางทีเราก็ไปยึดผมเป็นเราขนเป็นเราเล็บเป็นเราเนี่ยบางทีเราไปยึดความรู้สึกสุขทุกข์ไปต้นเนี่ยเป็นเรา บางทีก็ไปยึดความจําบอกเป็นเราบางทีก็ไปยปึดการผงแตกบุญบาปเป็นเราบางทีไปยึดการเห็นการได้ยินเป็นเราเนี่ยหรือบางทีมันไปเข้าใจว่าเรามันสิงอยู่ในนั้นเอ๊ะมันมีอยู่หรือไม่มีอยู่เคยเคยสงสัยไหมไอเราเนี่ยมีอยู่หรือไม่มีอยู่สงสัยตรงนี้ไหมสงสัยหรือไม่สงสั ย, ย, สส ย, รมมสยหรือปล่อยมึนๆงงๆไปเรื่อเป็นสงสัยว่าไอตัวเรามันเป็นสิงไปแทรกอยู่เป็นแก่นเป็นแกนอยู่มันมีอยู่จริงๆริงไหมเห็นไหม เราเนี่ยมันไปอยู่ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกไหมหรือไอ้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันเป็นเราไหมเห็นไหมเรากับผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกทั้งหลายอเนี่ยมันต่างกันหรือมันต่างกันหรือมันอยู่คนละส่วนนึกเป็นส่วนเดียวกันเลยงงอย่างเงี้ยนะผู้เรนมันงงอย่างเงี้เคยคิดอย่างเงี้ยไหมเรามีอยู่หรือไม่มีอยู่เราเป็นชาติอะไรอยู่งงงง เรามีรูปส้นล่างส้นฐานอย่างไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสัตว์โลกนี้มาจากภพไหนเนี่ยที่เรามาเราเที่ยวเป็นเราอยู่เนี่ยมันมาจากภพไหนมาจากนรกมาจากเปรตมาจากอสุรกายมาจากมนุษย์มาจากเทวดาหรือไม่มาจากโลกและสัตว์จากโลกนี้จะไปไหนมันจะไปไหนต่อ หเห็นจนกว่าเป็นสัตว์บุคคลบทนะหเห็นมันถูกไหมหเห็นจนกว่าเป็นสัตว์บุคคลมันไม่ถูกอยู่แล้วเพราะมันไม่มีสัตว์บุคคลจริงหรอกมันมีแต่กระแสชีวิตเท่านั้นเองนี้เป็นต้นจะไปสู่พบไหนเนะี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปุโรชนทีนี้เมื่อปุโรชนนั้นใส่ใจโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาทิฏฐิหอย่างมันก็เกิด ใ น, นพวไปใส่ใจอย่างนี้พวกมันเกิดเลยนะทิฏฐิที่เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นอย่างมั่นคงว่าอัตราของเรามีอยู่เนี่ยวัวตัวตนมีอยู่เลยเลยเนี้ยนี่มันเกิดอย่างมั่นคงเลยว่าอัตราตัวตนมีอยู่บางคนก็ไปยึดรูปนะผมคนเล็บฟ่ายเราเป็นอัดเป็นเราบางคนก็ไปยึดเวทนาอิศุขุกพนี่เป็นเราบางคนก็ไปยึดสัญญาคือความจํานี่เป็นเราบางคนก็ไปยึดอะไร การปรุงแต่งจิตที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นเราบางคนก็ยึดการเห็นการได้ยินเป็นต้นเป็นเราเนี่ยไปยึดอย่างมั่นคงว่าเราเนี่ยมันมีอยู่เราเห็นเราได้ยินเป็นต้นมันมีอยู่ไปยึดอย่างนั้นแท้จริงการเห็นเนี่ยเป็นสมภิษฐธรรมแต่โดยชนผู้มืดบอดที่เป็นที่มิชาทิฏฐิเนี่ยเป็นสำคัญว่าการเห็นเนี่ยมันคือเป็นเราก็ไปเห็นเราไปแทรกกับการเห็นเขายากไหมเนี้ มันไปเข้าใจผิดเนี่ยนะแท้จริงกระบวนการเห็นเป็นกลุ่มรูปปรรมเรานำมาทําสลัดคลอ้องกันเป็นสัมพันธ์จะไปตามเหตุปัจจัยอย่างไรพวกนี้จะไม่เข้าใจปจัจจัยสองทิศทีที่เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นอย่างมั่นคงว่าอัตราของเราไม่มีมันไปยึดว่าโอ้มันไม่มีหรอกเราไม่ ม, เ ม, มีเราไม่มีอยู่จริงหรอกว่ากันนะเก้หลงแยกไม่ออกระหว่างสมมุติกับสภาวธรรมแยกกันไม่ออกบางครั้งก็ไปยึดว่าอัตราของเรามันไม่มีหรอก มันศูนย์ใช่ไหมบางคนไปถือว่าขาดศูนเนี่ยตายแล้วขาดศูนย์ไม่มีอยู่จริงหรอกเห็นไหมบางคนบอกอัตราของเรามีอยู่อันนี้ไปเห็นว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนเลยนะไอ้กลุ่มบอกอัตราของเราไม่มีไม่มีหรอกตัวตนมันไม่มีหรอกมันศูนย์หายไปหมดแหละเพราะงั้นเถอะตายก็ศูนย์หายไปเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเวีนว่ายตายเกิดทิศทีที่เกิดขึ้นกับผู้นั้นอย่างมั่นคง เรารู้จักอัตราได้คือขันอื่นจากสัญญาขันด้วยอัตราคือสัญญาขันก็หมายความว่าไอเราเนี่ยรู้จักอัตรารู้จักตัวตนได้ก็คือคือขันอื่นจากสัญญาขันด้วยอัตราคือสัญญาขันไปเข้าใจว่าจากความจำเนี่ยมันซ้อนกันยังไง 22งความความสองความจําอย่างเงี้ยอย่างงี้เป็นต้นหรือทิฏฐิที่เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นอย่างมั่นคงว่าเราจักเรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้คือขันอื่นจากสัญญาขันด้วยอัตตาคือสัญญาขันนี่เดี๋ยวขยายทีหลังทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นอย่างมั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้คือขันอื่นจากสัญญาขันด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาคือสัญญาขัน แลก็ทิฏฐิเกิดแก่ผู้นั้นอย่างมั่นคงว่าอัตตาใดของเราเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้สวยผลของกรรมดีกรรมชั่วเป็นต้นอันนี้ยอัตตาของเรานั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่ผันแปรไปธรรมดาจัดกำรงอยู่เสอมอไปในสิ่งที่แน่นอนเนี่นยพวกนี้ไปเข้าใจว่าโอเช่นเรานี่เป็นผู้กล่าวเราเป็นผู้รู้มันแค่เข้าใจว่าอัตตาอัตตาเป็นผู้พูดอัตตาเป็นผู้เข้าไปรู้ เพราะงั้นเธอและอัตตาเป็นผู้เสวยผลเช่นได้ได้รับสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเราเป็นผู้รับสุขก็คือเรานี่แหละทุกข์ก็คือเรานี่แหละเวลาเราทําสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีเราที่เป็นผู้เป็นเสวยผลถ้าไม่มีเราเป็นผู้ไปเสวยผลได้อย่างไรถ้าไปมองว่ามันไม่มีเราขึ้นมางงพวกนี้ก็บอกเออเนี่ยเลยไปเข้าใจว่าเราหิวเราอิ่มเราอะไรทั้งหลา ย, ลยนี่ ไปเข้าใจอัตราตัวตวนเพราะไม่เข้าใจกระ บ, บวนการของเหตุปัจจัยที่มันหมุนเกิดจับสืบต่อตลอดเวลาไอ้คําว่าเราเนี่ยมันเป็นสมมุติก็ไม่เข้าใจคําว่าหญิงชายเป็นสมมุติก็ไม่เข้าใจคำว่าสัตว์บุคคลก็เป็นสมมุติเรียกขานกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการที่จะสื่อสารกันเนี่ยกระ บ, บวนการของมิจฉาทิฏฐิมันไม่รู้เพราะไม่มีปัญญามันไปยึดจนแน่นแน่นมั่นคงไปแล้วภูริยาบอกเรากล่าวความเห็นผิดนี้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ นี่เป็นป่าทึบเลยมืดบอดเลยมากกว่าวิชากว่าไม่รู้เป็นทางกันดารเป็นเส้นน้ำเป็นความเดือดร้อนเนี่ยกิเลสเครื่องผูกพันสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ทีนี้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเรากล่าวว่าปุรุชนไม่มีความรู้ที่ประกอบไปด้วยทิฏฐิสังโยชตย่อมไม่พ้นจากความเกิดพวกนี้นะ ถ้าตราบใดมีวิชาที่ถีฝังแน่นอยู่ในกระแสชีวิตก็จะไม่พ้นจากความเกิดไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นจากความเศร้าโศกรําคาญใจความทุกข์กายและความทุกข์ใจและความขับแค้นใจไม่สามารถพ้นจากชาติที่ทุกข์เป็นต้นได้ซึ่งต่างจากพระอริยะต่างพระอริยะท่านรู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงท่านไม่ไปติดในสมมติไม่ติดในอัตตาตัวตนท่านทําลายกิเลสเหล่านี้ได้แล้วท่านจึงไม่ไม่มืดบอด ท่านจึงไม่ไปเกิดบ่อยๆไปแก่บ่อยๆไปเจ็บไปตายบ่อยอย่างนี้เป็นต้นโอ้นี่พูดหนักเขจะยากไหมก็คือวันนี้พูดเรื่องในสัภาสวะสังวรสูตรเป็นพระสูตรที่ยาวที่จริงที่จะต้องพูดต่ออีกเยอะเลยเนะี่ยอีกที่จริงยังไม่จบในตรงเนี้เนี่ยเห็นว่ามันจะต้องไปขยายยาวเดี๋ยวไปพูดลงอริยศัจ